องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดสมาธิข้อที่2เรียงลำดับตามมัชมีองค์8คือข้อสุดท้ายก็แสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นองค์มัชข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่มีเนื้อหาสำหรับศึกษามากเพราะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาจิตในขั้นเต็มกระบวน เป็นเรื่องละเอียดประณีตทั้งในแง่ที่เป็นเรื่องของจิตอันเป็นของละเอียดและในแง่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดกว้างขวางซับซ้อนเป็นจุดบรรจบหรือเป็นสนามรวมของการปฏิบัติ<น>ความเข้าใจเบื้องต้นข้อก่อความหมายของสมาธิสมาธิแปลกันว่า ความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดคำจงกัดความของสมาธิที่พบเสมอคือจิตตัดเสก ก, กะตาหรือเรียกสั้นๆว่าเอกะกคตาซึ่งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการที่จิตแน่วแน่แนบสนิทอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่สายไม่วกแวก คำพีรุ่นอัตถกถาระบุว่าสมาธิคือภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตในอกุศลจิตเอกัคตาหรือสมาธิก็เกิดได้ดังที่ในพระอภิธรรมปิฎกคัมภีรธรรมสังคณีปกรณ์แสดงการที่เอกัคต า, าสมาธินีและมิจฉาสมาธิประกอบร่วมอยู่ในจิตที่เป็นอกุศลและอัตถกถาได้ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีจิตแน่วแน่ในขณะที่เอาสัตราฟาดฟันลงที่ร่างกายของสัตว์ไม่ให้ผิดพลาดหรือในเวลาตั้งใจลักของเขาและในเวลาประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามเอกะกาตาในฝ่ายอากุศล น, นี้มีกำลังน้อยอ่อนแอไม่เข้มแข็งทนทานเหมือนในฝ่ายกุศลเปรียบดังเอาน้ำราดในที่แห้งฝุ่นฟุง้งฝุ่นสงบลงชั่วเวลาสั้น ไม่นานที่ก็จะแห้งมีฝุ่นขึ้นตามเดิมคำพีรุ่นอัตถคถ า, ธาระบุว่าสมาธิคือภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความว่าหมายถึงการํำรงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่าเสมอและด้วยดีหรือแม้แต่แค่จิตตั้งมั่นพร้อมนั้นท่านแสดงสาระสำคัญไว้ ซึ่งขอพูดให้ง่ายว่าสมาธิมีลักษณะไม่สายหรือไม่ฟุ้งซ่านมีหน้าที่ช่วยให้ประดาธรรมที่เกิดร่วมรวมตัวกันอยู่ได้เหมือนน้ำผนึกผงแป้งไว้ไม่ฟุ้งกระจายปรากฏเป็นความสงบโดยมีความสุขเป็นปัตจฐานคือเป็นเหตุใกล้อย่างพิเศษที่จะให้ถึงสมาธิ จิตที่เป็นสมาธินั้นนิ่งแน่วเหมือนเปลวเทียนในที่ไม่มีลมกวนไฟทำงานเผาไหม้ต่อเนื่องไปอย่างสม่าเสมอไม่ใช่หยุดนิ่งแต่สงบนิ่งแน่วสัมมาสมาธิตามคำจำกัดความในพระสูตรทั่วไปเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรที่คณิกายมหาวัตรมีพุทธพจน์เจาะจงว่าได้แก่สมาธิตามแนวฌานสี่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลา ย, าาาลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 2. เข้าถึงทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารระงับไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 3. เพราะปีติจางไปเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามากายเข้าถึงตติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขละทุกข์และเพราะสมนนะโทมนัตดับหายไปก่อนเข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่อย่างไรก็ตามคำจำกัดความนี้น่าจะถือเป็นการแสดงความหมายแบบเต็มกระบวนดังจะเห็นว่าบางแห่ง ท่านกล่าวถึงจิตตัดเสกักกตานั่นเองว่าเป็นสมาธินีดังความบาลีในปฏิภาและสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวะัสมีพู้ตพจพ์ว่าภิกษุทั้งหลายอินรีคือสมาธิเป็นไหนคืออริยาสาวกในธรรมวิไนนี้กำหนดภาวะปล่อยวางเป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกักตาแห่งจิต คือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าอินรีคือสมาธิอัตถกถ า, ภาอธิบายภาวะปล่อยวางอารมณ์นี้ว่าหมายถึงเอานิพพานเป็นอารมณ์ส่วนคำจำกัดความในพระอภิธรรมปิฎกว่าดังนี้สัมมาสมาธิเป็นชะไหนความตั้งอยู่แห่งจิตความตั้งแนว่วความมั่นลงไป ความไม่สายไปความไม่ฟุง้งซ่านภาวะที่มีใจไม่ซัดสายความสงบสมร t h สมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงที่เป็นองค์แห่งมัดนับเนื่องในมัดอันใด น, นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอัธกถาแสดงไว้อีกแห่งหนึ่งว่าสัมมาสมาธิได้แก่ ยาถาวะสมาธิสมาธิที่แท้หรือสมาธิที่ตรงตามสภาวะนิยานิกะสมาธิสมาธิที่นำออกจากวัฏฏะคือนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือสู่ความเป็นอิสระกุศลสมาธิสมาธิที่เป็นกุศลว่าโดยสาระสำคัญสมาธิที่ใช้ถูกทางเพื่อจุดหมายในทางหลุดพ้น เป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ใช่เพื่อผลในทางสนองความอยากของตัวตนเช่นจะอวดริษั์อวดความสามารถเป็นต้นนั่นเองเป็นสัมมาสมาธิดังหลักการที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถจเจริญวิปัสสนาได้โดยใช้สมาธิเพียงขั้นต้นๆที่เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิคือสมาธิที่ใช้ประกอบกับวิปัสสนา หรือเพื่อสร้างปัญญาที่รู้แจ้งอันเป็นสมาธิในระดับระหว่างคณิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิเท่านั้นอันหนึ่งเพึ่งสังเกตว่าคำว่าสมาธิที่ใช้หมายถึงวิปัสสนาก็มีบ้างโดยเฉพาะที่ใช้ในสมาธิ3คือ 1. สุญญตะสมาธิสมาธิอันพิจารณาเห็นความว่างได้แก่วิปัสสนาที่ให้ถึงความหลุดพ้น ด้วยกําหนดอนัตตลักษณะ 2. องอเมิตะสมาธิสมาธิอันพิจารณาธรรมไม่มีนิมิตคือวิปัสสนาที่ให้ถึงความหลุดพ้นด้วยกําหนดอนิจจลักษณะและ 3. ามอปปัีญาตสมาธิการเจริญสมาธิที่ทําให้ถึงความหลุดพ้นด้วยกําหนดทุกคลักษณะอย่างไรก็ตามพึงถือความหมายเช่นนี้ว่าเป็นกรณียกเว้น ซึ่งตามปกติไม่ต้องคำนึงถึงเลย